สวัสดีครับอ๋อเจ้ายิงโรงเรียนเลิกแล้วเหรอครับพ่อแล้วเป็นไงบ้างวันนี้การบ้านเยอะไหมมีสองวิชาครับพอ่อมีวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษครับแล้วทําได้ไหมล่ะอันนี้ถ้าทําไม่ได้เดี๋ยวพ่อสอนให้ก็ได้นะ <c oughs> ขำอะไรเองเองอะ่ะ <c oughs> พ่อสอนภาษาอังกฤษผมได้จริงๆเหรอครับอ๋อภาษาอังกฤษนะเหรอครับพ่อได้สิว่า พ่อก็รู้แล้ว่า A B C D E F G พ่อรู้อยู่ด้วยเว้ยโธ่พ่อรู้แค่นั้นเองเหรอครับอา้าวแล้วอย่างงี้เรียกว่ารู้หรือเปล่าล่ะเขาไม่เรียกว่ารู้หรอกครับพอ่อพ่อก็ฟังผมท่อง A B C มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ผมเรียนอยู่อนุบาลแล้วล่ะมัง้งแล้วตอนนี้แหละฮะเอง อ, อยู่อนุบาลไหนแล้วอ่ะผมผมก็อยู่ปหกแล้วนะสิครับพอ่อปหก ครับปอหกมันก็ไม่ใช่ปอห้าจริงไหมพ่อจะ่าตลกอีกแล้วนะครับเนี่ยพ่อก็รอเองเล่นนะลูกเอ้ยไม่ชอบให้พ่อล้อเล่นหรือไงฮะลูกยากครับผมกลับจากโรงเรียนเห็นพ่ออารมณ์ดีมีพุกตลกเล่นกับผมผมก็มีความสุขมากแล้วล่ะครับพ่อก็ดีใจนะที่เองมีความสุขอะ เองจะต้องขยันเรียนให้มากๆสอบให้ได้ทีหนึ่งทุกๆเทอมเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่แล้วก็เป็นเด็กดีของคุณครูเป็นคนดีของเพื่อนๆด้วยเข้าใจไหมลูกเข้าใจครับพ่อเออเข้าใจแล้วก็เป็นอย่างที่พ่อพูดหรือเปล่าล่ะก็ เ, ะเป็นสิครับผมน่เป็นนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนทุกปีพ่อก็รู้ไม่ใช่เหรือครับรู้สิ ก็อย่างนี้แหละ พ, พ่อภูมิใจเองมากเคียวลูกไหมละ่ะฮะผมก็ภูมิใจเหมือนกันครับภูมิใจที่ลูกเป็นเด็กดีใช่ไหมละ่ะฮะภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่ออืแล้วก็ภูมิใจที่เกิดเป็นลูกของพระเจ้าซึ่งท่านได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูกครับพ่อดีมากลูกคิดดีทดําดีแล้วพระเจ้าก็จะบรรดาลสิ่งดีๆให้ลูกของท่านเองยามที่ลาบากมีปัญหาเนี่ยนะ พระเจ้าก็จะมาช่วยดูแลลูกเองท่านอยู่ทุก้นทุกแห่งบนโลกใบนี้เป็นผู้ให้ยิ่งกว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราหวางกันะท่านทรงเป็นผู้ให้ที่ไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนจากลาวมวลมนุษย์แม้แต่นิดเดียวเลยรู้ไหมเพียงแต่ขอให้หลาวมวลมนุษย์มีศรัทธาต่อพระองค์ทันเท่านั้นแหละรู้ไหมลูกรู้ครับ คุณครูก็สอนผมอย่างที่พ่อบอกผมเหมือนกันครับดีมากลูกเอเชื่อคุณครูเขาก็เท่ากับเชื่อพระเจ้าเพราะว่าคุณครูเป็นตัวแทนของพระเจ้าเพื่อมาประสิทธิ์ประสาทวิชาวความรู้ให้ลูกคุณครูเป็นตัวแทนของพระองค์ท่านคุณครูมีความบริสุทธิ์ใจในการทำความดีแล้วก็มอบแต่สิ่งดีๆให้ลูกๆแล้วลูกๆ ก, ก็มีความมุ่งมั่นที่จะรับความดีเชื่อฟังคุณครู โลกนี้ก็จะมีแต่ความสวยงามสดใสนะมีความน่าอยู่มีการเอื้ออาทรต่อกันที่สำคัญมีความรักให้ต่อกันซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆเชียวนะลูกเอ้ยความรักนี่หรือครับพ่ออืมความรักนี่แหละช่วยจันลงโลกให้ความรุ่งเรืองอย่างน่ามาสะจใจที่สุดเชียวละ่ะแล้วมันรุ่งเรืองยังไงล่ะครับพ่อ ก็ที่ไหนมีความรักไม่ว่าจะเป็นรักแบบไหนก็ตามก็จะมีการให้ใช่ไหมละ่ะครับอย่างพ่อรักลูกพ่อก็จะทำทุกอย่างเพื่อลูกของพอ่อให้ลูกของพ่อเนี่ยไม่ลำบากมีแต่ความสุขถูกต้องไหมครับพอ่อแล้วลูกของพ่อก็จะต้องมีกำลังใจในการเรียนหนังสือมีกำลังใจในการทำความดีแล้วลูกก็รู้จักเอาพ่อเป็นเยี่ยงอย่างเพื่อทาความดีให้กับคนรอบข้าง ลูกก็มีความสุขคนรอบข้างเขาก็มีความสุขทุกคนรู้หน้าที่แล้วก็ทําแต่คุณงามความดีเพราะมีความรักที่จะทําความดีโลกนี้ก็จะสดใสไงไม่มีการเข้นฆ่ากันใครทํำไมด่ดีให้รู้จักการให้อภยัยความรักเนี่ยต้องมาคู่กับการให้อภัยด้วยรู้ไหมลูกการให้อภัยเหรอครับพ่ออืมใช่อยากรู้ไหมล่ะ ว, ว่าวิธีการให้อภัยต้องทํายังไงบ้าง อยากรู้ครับพอ่อถ้าอยากรู้ละก็ไปรินน้ําฝนให้พอดื่มแก้วนึงก่อนสิแล้วเดี๋ยวพ่อจะพูดต่อ <c oughs> <ม>ได้เลยครับพอ่อพ่อรอเดี๋ยวนะครับผมจะไปรินน้ำฝนให้พ่อเดี๋ยวนี้แหละครับออือขอบใจลูกเห็นลูกเชื่อฟังพ่อแม่เพียงแค่นี้พอก็ดีใจแล้ว ล, ลูกเอ้ยชื่นใจของพ่อแม่จริงๆเลยฮะ <c oughs> จริงๆเลยลูกพ่อที่บ้านเราทําไมต้องดื่มน้ําฝนด้วยล่ะครับพ่อทาไมละ่ะแล้วบ้านใครที่ไม่ต้องดื่มน้ําฝนล่ะลูกอืมที่โรงเรียนมีน้ําประปาแล้วก็มีเครื่องกรองน้ําสําหรับรองน้ําดื่มแล้วครับไม่เห็นที่โรงเรียนน่ะต้องมีองค์ขนาดยักษ์ไว้รองน้ําฝนอย่างบ้านเราเลยครับพี่ยิ่งกลับมาแล้วพี่ยิ่ง แม่ครับพี่ยิ่งกลับมาแล้วครับอ่าาลูกลกูอ้าาเดาเย็นวิ่งลงบันไดามาอย่างนั้นเดี๋ยวก็หกล้มแข่งขาเจ็บจนไดล้ล็อกเออไม่ต้องวิ่งเออดีใจอะไรกันนักหนาเดินมาก็ได้แค่ไม่ผ่านตายตนน้นมะงงเนี่ยอยู่ไม่ไกลบันไดสักเท่าไหร่นะพี่ยิง่งเป็นยังไงมั่งอ่ะพี่น่ะเป็นยังไงล็อกแล้วเย็นเป็นยังไงล่ะ ดีใจเลยนักหนาละ่ะฮะดีใจที่พี่ยิ่งได้ไปโรงเรียนแล้วก็แต่งตัวดีๆไปเรียนหนังสือแล้วก็หิ้วกระเป๋าหนังสือกลับมาแล้วก็ได้กราบตักพ่อตักแม่เย็นก็ทําอย่างพี่ได้นี่นาเย็นก็อยากทําเหมือนกันแต่เย็นก็ไม่ได้ไปโรงเรียนสักทีนี่นาอีกหน่อยเย็นก็ได้ไปเรียนแล้วละ่ะอีกหน่อยแล้วเมื่อไหร่ล่ะครับพ่อก็รอให้เย็นโตกว่านี้อีกสักหน่อยเนะตอนเนี้ยเย็นยังเด็กเหลือเกิน โรงเรียนเขาไม่รับเขาเรียนหรอกลูกว่าไม่ได้ไปจริงๆหรอพ่อก็ลองถามแม่ของเราดูสิว่าไปโรงเรียนอย่างที่พิยิงได้หรือเปล่าล่ะผมจะถามแม่ครับพ่ออืมอ๋อเมื่อกี้เราพูดถึงไหนแล้วอ่ะฮะพูดถึงถึงเรื่องน้ําฝนกับน้ําปลปาครับพ่ออ๋อๆงั้นนะเหรอเอออืคืออย่างนี้นะลูกที่บ้านเรานะ่ะอยู่ห่างจากเมืองเยอะบลภาวะทางอากาศไม่มี ไม่มีควันรถไม่มีสารพิษต่อร่างกายเห็นไหมลูกยิงลูกเย็นลองหันไปมองรอบๆตัวของเราสิครับแล้วพ่อเห็นไหมล่ะทุกอย่างมีแต่ธรรมชาติไปหมดเลยไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถวิ่งไปวิ่งมาเหมือนในเมืองเหมือนที่โรงเรียนของลูกที่นี่มีแต่จักรยานใช้สำหรับปั่นไปทําธุระไกลๆเท่านั้นเอง อยากจะเข้าไปในเมืองก็ปั่นจักรยานไปตามถนนใหญ่โน่นน่ะไกลขออยู่ถึงจะมีสองแถวให้นั่งไปตลาดอะเพราะฉะนั้นอากาศที่นี่ก็เลยบริสุทธิ์เวลาถึงหน้าฝนฝนตกหนักตกมากๆน้ำฝนก็จะใสสะอาดเราก็สามารถเอาองค์ไปรองรับน้ำฝนเพื่อเก็บไว้ใช้ยามหน้าแ้งได้ไว้ใช้ดื่มกินหรือว่าไว้ใช้ทาอะไรอีกมากมายช่ยลกครับพ่อ พ่อพูดค้างเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าอือก็ค้างเรื่องการให้อภัยนะครับพ่ออือืการให้อภัยเป็นสิ่งที่ของเราทุกคนต้องมีในใจนะลูกหญิงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามเวลาเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นมานี่จะด้วยสาเหตุอะไรก็าตามเหอะถ้ารู้จักการให้อภัยเรื่องเลวร้ายก็จะทุเราเบาบางลงแล้วก็จะทําให้คลี่คลายไปในทางที่ดีได้นะลูกนะ จริงเหรอครับพอ่อจริงสิอย่างเย็นก็เหมือนกันไม่ว่าเย็นจะไปโดนใครแกล้งใครรังแกงมาก็าตามถ้าเราไม่ถือโทษโกรธ เ, เคืองเขาเราก็ไม่เกิดความเคืองแค้นในใจถูกต้องไหมลูกถูกครับพอ่อเมื่อไม่มีความเคืองแค้นอยู่ในใจในใจของเราก็รู้จักให้อภัยรู้จักยอมแล้วก็จะรู้จักผ่อนหนักพรเบา ที่สําคัญก็คือว่าทำให้เราใจเย็นได้ด้วยนะลูกนะลูกๆอยากเป็นคนใจเย็นหรือใจร้อนกันละ่ะอยากเป็นคนใจเย็นครับพ่อใช่ครับถ้าอย่างนั้นลูกๆ ก, ก็ต้องฝึกฝนจิตใจให้อดทนมุ่งมั่นทำแต่ความดีมองรอบๆตัวนะ่ะเป็นสิ่งที่สวยงามมีแต่ความดีนะไม่ว่าความชั่วจะเข้ามากล้ากล้ายเมื่อไรก็ตามก็ให้มองผ่านไป เราจะไม่โกรธไม่เครื่องแล้วเราก็จะมีจิตใจที่แข็งแกร่งให้อภัยได้ทุกเรื่องเองนั่นแหละเข้าใจหรือเปล่าครับพ่อเอาล่ะพอพูดเพียงแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวยิ่งจะเบื่อฟังซะ ก, ก่อนเท่านั้นแหละไม่เบื่อฟังแล้วครับพอ่อเรื่องทำความดีผมไม่เคยเบื่อแล้วครับโอ้ดีมากลูกเอ้ยดีดี ด, ด, ดีแต่ว่าตอนนี้นะยิ่งควรจะขึ้นไปช่วยแม่ทากับข้าวสักหน่อยเถอะนะ อ่ากินข้าวเย็นกันแล้วอาบน้ําอาบท่าเรียบร้อยแล้วก็จะในหนังทําการบ้านสักทียังไงล่ะลูกอืก็ได้ครับงั้นผมจะเอากระเป๋าหนังสือไปเก็บแล้วก็ไปช่วยแม่ทำกับข้าวในครัวนะครับอืมไปเลยลูกไปผมไปด้วยครับพี่ยิ่งก็ตามมาซิเย็นเดี๋ยวไปช่วยแม่ทำกับข้าวด้วยกันนะครับพี่เอออย่าลืมนะขยันทําความดีเขาไว้นาลูกแล้วสักวันนึ่งเนี่ย พระองค์ท่านจะทรงตอบแทนความดีหายลูกพ่อทุกคนนั่นแหละครับพ่อผมจะจำไว้ไม่มีวันลืมเด็กขาดเลยครับ <c oughs> ผมด้วยครับพอ่อเออดีมากลูกลูกของพอ่อ <c oughs>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 Can't come wa. I love her, a เก็บซ่อนความรักไม่ไกลไม่ไกลในอกข้างซ้ายตรงใจของเธอใครันที่ทำให้ฉันรักใครันที่นอยู่ในความฝันคนที่ฉันคิดถึงอยู่ทุกวันก็ใครคนนั้นฉันเบียดกว่าเธอ ใจดีแบบเธอา อ Tree, อออ ร, อรอแล้วรอ s e s i i t h e l o o n g a t h b u a n t o o u n a my heart is soft. What d i I n stop, or f s h e l know But he heart he on off, how s h o n y o u e h e For all, who ever, who ever, who ever, who ever. meeting กิดในหวใจรูชีวิตไม่ได้โหดร้ายรูวฉันโชคดีเท่าไรที่หใจอยู่มาถึงจนวันนี้รอคนดีพร้อมใจวาดไวแสุดท้ายก็พบเอเจอคนที่เป็นครึ่งนึงของชีวิตที่ขาดแล้วไม่อาจ s o n send her love, my h e a r เธอ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 สุดไปเก็บแล้วแล้วก็ลงไปช่วยแม่ในครัวครัวของบ้านเราไม่ได้อยู่บนบ้านเหมือนบ้านเพื่อนหรืออีกหลายบ้านในหมู่บ้านแต่ครัวของเราอยู่ข้างล่างเพราะทําห้องครัวไว้ข้างๆอยู่ติด ก, กับบันไดหลังบ้านถ้าเดินลงบันไดลงจากหลังบ้านก็จะ ถ, ถึงห้องครัวทันทีห้องครัวไม่ใหญ่มากใหญ่ถ้าก็ห้องนอนของเราก็เห็นเจนได้ ที่บ้านยังใช้ฟืนกับทานอยู่เลยไม่มีถังแก๊สใช้หรอกแม่กําลังทําน้ำลิกอยู่เราเดินเข้าไปกราบที่ตักของแม่ทันทีแม่ครับสวัสดีครับจ่ากลับจากโรงเรียนแล้วเหรอครับแม่แม่เหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยจ่าแม่ไม่ต้องไปทไําไร่ไถนาอย่างพ่อเราแม่มีหน้าที่ดูแลบ้านช่อง ทำกับข้าวกับปลาให้ทุกคนในบ้านกินไม่เหนื่อยหรอกจ้าแต่ทำไมคุณครูถึงได้บอกว่าคนเป็นแม่เหนื่อยแสนเหนื่อยแล้วครับแล้วคุณครูของลูกบอกเหตุผลหรือเปล่าล่ะว่าทำไมแม่ทุกคนถึงเหนื่อยหืมบอกครับพี่ยิ่งคุณครูบอกอะไรมั่งครับก็กำลังจะพูดอยู่นี่อย่างไงล่ะแมไปโรงเรียนมีเรื่องเล่าเยอะจังเลยเนาะอีกหน่อยย็นก็ได้ไปโรงเรียนเหมือนพี่นี่แหละ อยากไปวันพรุ่งนี้นะพี่ถามแม่ดิว่าให้เย็นไปหรือเปล่าแม่ครับผมไปโรงเรียนได้ไหมครับเย็นยังเด็กมากไปไม่ได้หรอกลูกไม่มีใครคอ ย, คอยดูแลเย็นเย็นอ่ะดูแลตัวเองยังไม่เป็นเลยเย็นไปเรียนหนังสือไม่เห็นจะต้องดูแลอะไรนี่ฮะก็เรื่องอาหารการกินไงล่ะแล้วก็ยังเรื่องหนังสือเรียนอีกเย็นจัดตารางสอนเป็นหรือไงหืไม่เป็นครับัน่นยังไงล่ะ เพราะฉะนั้นนะ่ะเย็นจะต้องกินเยอะๆให้โตวไวยพอโตเร็วสมองก็จะโตตามไปด้วยแล้วที่นี้ล่ะลูกเย็นก็จะได้ไปโรงเรียนสัทียังไงล่ะจริงเหรอคะแม่จริงจ้ะงั้นต่อไปผมจะกินเยอะๆแล้วนะแม่จ้าเวลาแม่เรียกให้มากินข้าวก็อย่ากเกเรล่ะครับแม่เอาพี่ยิ่งพูดต่อเธอะกำลังอยากฟังต่อนะ <c oughs> คุณครูบอกว่า แม่เป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตแก่มวลมนุษย์แม่เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่แม่เปรียบเสมือนตัวแทนของพระผู้ให้แม่ทำทุกอย่างเพื่อลูกโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆจากลูกเลยแม่อุ้มท้องลูกเก้าเดือนเหนื่อยแสนเหนื่อยกว่าจะคลอดลูกออกมาแล้วก็ฟูมฟักให้ลูกน้อยเติบใหญ่อบรมสั่งสอนให้ลูกๆเป็นคนดี เพื่อสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ผมฟังคุณครูพูดแล้วก็รู้สึงถึงความเหนื่อยยากของแม่เหลือเกินครับแม่ครับผมสงสารแม่นะครับแม่ดีใจนะลูกที่ลูกมองเห็นสิ่งดีๆที่คุณครูสอนนะจ๊ะผมสาบานต่อหน้าพระเจ้าว่าผมจะทำแต่ความดีผมจะช่วยแม่ทำงานทุกอย่าง ผมจะไม่มีวันทำให้แม่เสียใจไม่มีวันทำให้แม่เสียน้ำตาเด็ดขาดครับดีมากลูกแม่ดีใจเหลือเกินที่ได้ยินลูกของแม่พูดอย่างนี้ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ได้บันดาลให้มีคุณครูที่แสนดีมาอบรมสั่งสอนลูกๆของแม่แม่ดีใจเหลือเกินจะ้ะขอบคุณพระเจ้าผมก็ขอบคุณพระเจ้าเหมือนกันครับแม่ขอบคุณว่า ขอบคุณพระเจ้าที่บรนดาลแม่ให้ผมแม่ที่แสนดีแม่ที่มีแต่ให้ผมขอกราบเท้าแม่เพื่อขอบคุณครับลูกรักของแม่ผมด้วยครับแม่กราบครับแม่อา้าวลูกเย็นกราบเท้าแม่ด้วยเหรอลูกครับแม่ผมกราบสวยเหมือนพี่ยิ่งไหมครับสวยจ้าสวยมากๆเลยจ้ะ แม่ดีใจเหลือเกินจ้ะงั้นผมช่วยแม่ตอนอ้ำพริกนะครับจ้ะลูก